การทามันอื่นมันเข้าไปตรงๆเข้าสายตรงตรงต่อกายตรงต่ววาจาตรงต่อจิตเข้าไปเลยเราก็มีเท่านี้มีกายกนอยู่นี่มีวาจาเขาอยู่นี่มีใจเขาอยู่นี่เป็นทวารเป็นปลายของชีวิตเราตอนที่มันจะผิดจะถูกจะสุขจะทุกข์มันก็ลงมาก็มีอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจมันไม่ใช่ความรู้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 เป็นใหญ่เป็นโตจิตนี่สติเป็นใหญ่กว่าถ้าจิตเป็นอารมณ์เใหญ่จิตมาไมีอารมณ์มาอาศัยเหมือนสลาหัวใจมีอาการทุกขมามาพักอาศัยสลาหัวใจรักนี้ไม่ว่าอะไรอะไรมาพักก็ไาาด้หาไม่โยโคดไม่โยไม่จีบไม่โยใครมาอยู่ เสลาคือหมายว่าบาที่มาบึงดามันขึ้นมาเนี่ยเสลาหลังนี้ก็หมาว่าแต่ว่าจิงที่มาอยู่นะอะไรเป็นประโยชน์เป็นโทษถ้าเสลาหลังนี้พระมาอยู่ก็สอนอาจารย์พวกเรามาอยู่ก็สอนอาจารย์จิตของเราก็ะมาณกั น, นอาลงมันจรมาถ้ามีสติมก็รู้สติเนี่ยมันเหมือนไม่กวดสติรู้ตรงไหนสอาดตรงนั้นเหมือนเจ้าของบ้น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 เพราะใช่ในาโกรธตอนอยู่กับความโกรธความหวานข้าวเหนื่นทั้งทั้งที่มันทุกข์อยู่ก็เป็นภูมิของดีเดฉะความโกรธก็ล่าร้อนใจร้อนกินไมาได้นอนมาหลับมั็เป็นสนอารมณความโกรธป็ความขี้กียกลัวแม้แ่ทั้งวงโกรธทําตามความโกรธจะดุจะด่าจะว่าอะไรก็ทําตามบุกโกรธบางทีตัดสินใจทําตามบุกโกรธฆ่าตัวตายเข้าคนอื่น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 ว่าการกลับบ้านเลยเขียนให้ไปแล้วหมออ้อเอาไปยื่อใน้แล้วก็ยังปากันยืน้อหลอกเขารัรอเอาไม่เห็นเป็ทุกตรงไหนวะไม่ทุกตรงไห น, นเออคนเก็บเนีมันไม่มีความทุกตรงไหนหาไม่เจอเลยเขาบอกว่าคนป่วยเป็นทุกคนเกบเป็นทุกเออไม่ไม่ทุกตรงไหนนะไปบ้านที่ยืนอยู่ ข, ข้างๆก็มีแต่เทพพิดา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 คิดถึงปัจจาจังดูมาเปรียบเทียบมาตุจีมาโพยจังไงไม่ยใช่เรามานั่งคิดถึงบ้านถึงช่องถึงลูกถึงเมียเรามาทํากรรมฐานเราท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นั่งอยู่ที่โอ้คิดถึงห้องแอร์คิดถึงที่ตรงนั้นคิดถึงเพื่อนเอา้ามันคิดไปตรงเรามาทํากรรมฐานกลับม า, า, า, จจากายสวบายใจเราใช่จดดูคนตัวตนเราเหวนเวทนาบางทีมันสุขมันทุกข์มีไหมมีเหมัอนกันปวดหลังกวดเดียว